พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทว่าเป็นการยากที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากที่ชีวิตสัตว์จะอยู่สบายเป็นการยากที่จะได้ฟังธรรมของสัตตมบรุษเป็นการยากที่พระสัมพุทธะจะอุบัติมาพวกเราทุกคนสอบผ่านข้อที่หนึ่งแล้วผู้รู้ท่านรับรองไว้ว่าเป็นการยากจริงๆ ที่พวกเราทั้งหลายจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ในชาตินี้ชาติหน้าบางคนอาจจะเกิดเป็นผีเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวเราเองอาจจะไม่รู้ว่าเป็นการยากลาบากขนาดไหนที่จะได้มาอยู่อยู่ที่จุดนี้เพราะเราไม่มีความสามารถที่จะออลึกชาติได้ อย่าพลาดโอกาสที่จะทำความดีทำประโยชน์นะพวกเรายังสอบผ่านข้อที่สองด้วยคืออยากที่จะมีชีวิตที่สบายถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ตา่างแต่ก็คนจำนวนมากในโลกนี้ที่อดอยากไม่มีข้าวกินต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องน้อยคนที่จะอยู่ได้สบายอย่างพวกเรา อย่าพลาดโอกาสที่จะทำความดีทำประโยชน์นะพวกเรายังอยู่ในข้อที่สามด้วยยากที่จะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษน้อยคนที่จะได้มาวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้เพราะมีเหตุปัจจัยบางอย่างหรือยังไม่พร้อมที่จะมาวัดสำหรับหลายคนแค่ต้องตื่นตีสามหรือทานข้าวมื้อเดียวนอนในป่าก็กลัวแล้ว ข้อสุดท้ายคือข้อที่สีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติมาแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทันพบพระองค์แต่พระองค์ก็ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าเมื่อเราปรินิพานไปแล้วพระธรรมคําสอนจะเป็นตัวแทนของเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ที่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค์จนรู้แจ้งชัดในธรรม ก็เท่ากับว่าได้พบพระพุทธองค์เช่นกันกลยานมิตรภายในนอกจากกายานมิตรภายนอกเราก็มีกลยานมิตรภายในคือลมหายใจของเราเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกลยานมิตรที่ดีที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนเพราะเราไม่เคยสนใจกับลมหายใจของเราเลย ถ้าเราละลึกรู้และอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกตลอดเวลาเราจะมีแต่ความปลอดภัยและมีสันติสุขลมหายใจจะช่วยเราหลีกพ้นจากเพื่อนที่ไม่ดีต่างๆความคิดรักคิดชังคนนี้คนโน้นสิ่งนี้สิ่งโน้นความคิดน้อยอกน้อยใจความคิดบนคิดนินทา คิดตำหนิผู้อื่นคิดอาฆาตพยาบาทเหล่านี้เป็นเพื่อนที่ไม่ดีลมหายใจอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานหรือไปเที่ยวที่ไหนขึ้นเขาหรืออยู่ในถ้ำคนเดียวตราบใดที่เรายัางมีชีวิตอยู่กัลยานามิตรท่านนี้อยู่กับเราตลอดแต่เราจะคบหรือไม่คบขึ้นอยู่กับเราเอง ความจริงกาละยานมิตรคือลมหายใจนี้เรามีตั้งแต่เกิดจากท้องแม่จนถึงวันนี้แต่หลายคนไม่ได้คบไม่ได้รู้จักเราครบแต่อันธพานเราครบแต่อารมณ์ไม่ดีคิดบ่นตำหนิคนโน้นคนนี้คิดอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรไม่ดีก็คิดไปบ่นไปเรื่อยเรื่อความคิดไม่ดีต่างๆคือคน่าน ความพานี้อยู่ในใจของเราอาเสวนาจะพลานังคบคนพานพานพาไปหาผิดไม่เจริญเราควรคบแต่บัณฑิตคือคนดีความคิดดีๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็นเพื่อนที่ดีถ้าเราอยู่กับลมหายใจอยู่ที่ไหนก็ไม่เหงาอยู่ที่ไหนก็สงบ มีความสุขได้ไม่วุ่นวายใจเมื่อเกิดอารมณ์ยินดียินร้ายใจเสียเสียใจเสียความรู้สึกให้รีบกลับมาหากรยานมิตรคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเองถ้าเราสามารถอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกรยานมิตรได้ศีล ส, สมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นตามลำดับ และในที่สุดก็เข้ามรรคผลนิพพานได้ 2. โยนิโสมนัสิการ โยนิโสมานสิการคือการคิดทบทวนพินิษฐ์พิจารณาด้วยเหตุผลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญญาทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดอีกประการหนึง่งสาหรับพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักข้อนึงซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญขึ้นเหมือนโยนิสโสมนานสิการเลยเมื่อเรามีกาลยานมิตรแล้วมีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมได้สนทนาธรรมได้รับการตักเตือนจากกาลยานมิตรได้ฟังเทศธรรมะได้อ่านหนังสือธรรมะธรรมะที่จำได้จากการได้ยินได้ฟังเหล่านั้นถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารดิบ ที่ยังอยู่ในโรงครัวเช่นข้าวสารเนื้อปลาผักน้ำมันน้ำปลาเป็นต้นซึ่งแม้จะเป็นของเราก็จริงแต่ยังไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราต้องปรุงอาหารใช้ก่อนแล้วก็กินเคียเค้ยวเคี้ยวให้มันละเอียดผสมกับน้ำย่อยในปากแล้วกลืนลงไปในท้อง ผสมกับน้ำย่อยในกระเพาะอาหารอีกทีจึงเกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเราจริงๆถ้ามะต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังก็เหมือนกันแค่จำได้คิดได้พูดได้ยังอยู่แค่ในสมองของเราเหมือนอาหารดิบอยู่ในโรงครัวในบ้านเรายังช่วยเราไม่ได้ยังไม่ใช่ของเรายังไม่อาจบังลุงหัวใจของเราได้ เพื่อให้ธรรมะเข้าถึงใจเราต้องอาศัยสติควบคุมความคิดพิจารณาด้วยเหตุผลด้วยปัญญาพิจารณาลึกๆเข้าไปในจิตใจค่อยๆ ย, ย่อยค่อยๆ ย, ย่อยจนเราเห็นดีเห็นชอบและยอมรับธรรมะนั้นๆด้วยใจจริงๆเหมือนกับธรรมะเกิดขึ้นในใจของเราเองเป็นปัญญา เป็นสมาธิติฐิวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่บรรดาพระภิกษุทั้งหลายทรงอธิบายถึงพระห้าซึ่งประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาและทรงถามพระสารีบุตรว่าทั้งเชื่อไหมพระสารีบุตรตอบว่ายังไม่เชื่อพระเจ้าค่ะ บรรดาพระภิกษุทั้งหลายก็ตำหนิพระสารีบุตรว่าไม่เคารพพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าถูกต้องแล้วพระสารีบุตรท่านเป็นผู้มีปัญญาสูงท่านไม่เชื่อใครง่ายๆแม้แต่พระพุทธองค์ท่านต้องพิจารณาตามเหตุผลด้วยใจของท่านคือโยนิโสมนสิการเสียก่อน ขนาดพระสารีบุตรฟังเทศพระบรมศาสดาแล้วยังต้องโยนิสโสมานสิการท่านให้พวกเราฝึกหัดเจริญโยนิสโสมนสิการให้ดีโยนิสโสมานสิการนี้เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งนักที่ทำให้เกิดปัญญาเมื่อใจเราพอใจที่จะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออก ระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ขณะที่กระทบอารมณ์ทั้งที่ทน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาจิตใจเราสงบเป็นปกติได้นี่เป็นผลแห่งโยนิสมนสิการที่สมบูรณ์บทที่สาม อัปปมาทะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึง่งคืออัปปมาทะความไม่ประมาทคือการมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักข้อหนึ่งเป็นเหตุให้อริยมรตมีองแปดที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ เงื่อนความถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทนี้เลยดังนั้นจงอาศัยลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เกิดให้มีให้เป็นอัปปมาทะโดยสมบูรณ์เถิดหลังจากตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระบรมศาสดาทรงอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทสคือภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาตลอดเวลา4 5พันษาเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบว่าอีกไม่นานก็จะทรงเข้าสู่มหาปริิญ พ, พานและสังขารจะหมดลมหายใจแล้วท่านได้พยายามสอนดีที่สุดสั้นที่สุดเป็นปัดฉิมพุทโธว่า ด, ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าคงจะพูดได้ว่าพระธรรมหรือคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทั้งปมืสี่พันพระธรรมขันธ์รวมอยู่ในคำเดียวคืออับประมาทะ ผู้ที่มีลาบยศสารเสริญสุขอย่าประมาทเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของเก่ามีแต่จะหมดไปเสื่อมไปในที่สุดขอให้เจริญอริยมรรคมีองค์แปดจนกระทั่งเกิดมักคสมังคีสามารถละสักยะทิฏฐิวิจิกิชิชฌาศิลปะประมาตรลงได้ อย่างน้อยก็ให้เข้าสู่กระแสพระนิพพานจึงจะมั่นใจได้ว่าไม่ตกนรกและไม่ตกอบายมิอย่างแน่นอนเรียกว่าผู้ไม่ประมาทตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงปรารภถึงอั ป, ปมาทะว่าความไม่ประมาทเป็นทางอมตะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทไม่มีวันตาย ผู้ประมาทถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายแล้วความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายความประมาทคือความไม่มีสติในความคิดไม่มีสติควบคุมจิตคิดฟุ้งซ่านคิดน้อยใจคิดเสียใจคิดอาฆาตพยาบาทเป็นความคิดผิดคิดผิดเมื่อใดก็ตายจากความดีเมื่อนั้นจึงกล่าวว่า ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายในชีวิตประจำวันความประมาทคือความขาดสติทําให้เกิดความเสียหายและความตายจริงๆเช่นถ้าเดินหกลม้มเหยียบแก้วหรือขับรถประมาทเป็นความประมาทขาดสติทั้งนั้นทําให้เกิดอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บและอาจเสียชีวิตได้ ครูบาอาจารย์จึงพูดเตือนบ่อยๆว่าขาดสติสมนาทีก็บ้าสามนาทีผู้ประมาท ถ, ถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายใต้จากความดีทุกประการอาจจะเลวยิ่งกว่าคนตายก็เป็นได้ต้องระวังในชีวิตประจาวันถ้าไม่ระวังเราก็ทำบาปเพิ่มขึ้นทำอกุศลกรรมอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเกียรติยศชื่อเสียง ความดีงามที่เราสะสมมาหลายปีในปัจจุบันชาติก็ดีความดีงามที่สั่งสมมาจากชาติก่อนๆ ก, ก, ก็ดีถ้าเราประมาทขาดสติหน่อยอาจจะสูญเสียไปหมดและเราอาจจะเสียชื่อเสียงไปในทันทีก็เป็นได้ ทำไม่ประมาทเป็นทางอมตะหมายถึงสภาวะที่ไม่มีความตายไม่มีตัวตนไม่มีอนัตตาเมื่อสละกิเลสตัณหาอุปทานได้สติปัฏฐานสี่สมบูรณ์แล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นอนัตตาก็ไม่มีใครตายไม่มีความรู้สึกว่ามีใครตายสักแต่ว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ํา ธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศธาตุรู้เท่านั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปเท่านั้นไม่มีใครตายเมื่อเราไม่ประมาทเจริญสติอยู่ตลอดเวลาศีล ส, สมาธิปัญญารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นมัคคสมังคีก็ละสังโยชนเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมจักรปรวัตนสูตรว่าเราไม่เกิดอีกแล้วความเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราเพราะองค์ได้เข้าถึงอมะตะธาตุวิสังขารธาตุพุทธภาวะคือภาวะแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองส จ, จิตตปริโยธา ป, ปนังเอตังพุทธานะสาสนัง การชำระจิตของตนให้ขาวรอกนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในการเจริญสติทุกเมื่อจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดอปันกะปฏิปทาสามอปันกาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดมีสามอย่างหนึ่งอินรียสังวรคือสำรวมอินรีหก ตาหูจมูกกลิ้นกายใจ 2. อภช น, นมัตัญญุตาคือความรู้จักประมาณในการบริโภค 3. ชาคิยานุโยคคือการประกอบความเพียรไม่เห็นแก่นอนอปันนกาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ควรทำทุกคนไม่ว่าผู้จเจริญกรรมฐานแบบไหนแม้แต่นักเรียนนักศึกษา ผู้ทำงานทุกชนิดควรจะปฏิบัติอย่างยิ่งให้ปฏิบัติทุกคนตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีสมองปลอดโปร่งสติปัญญาเฉลียวฉลาดอารมณ์ดีทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่มีโทษไม่ผิดอินทสียสังวรอินทียสังวรคือการสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะเห็นรูป ได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายรู้ทางใจให้มีความสำรวมอยู่เสมอระวังไม่ให้ยินดียินร้ายไม่ให้ติดอารมณ์นั้นๆระวังทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายมือแขนเท้าปากใจระวังการกินและที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือระวังเรื่องการพูดและก็ระวังเรื่องความคิดพูดมากเรื่องมากพูดน้อยเรื่องน้อยไม่พูดไม่เหนีวเรื่องการพูดนี้ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนมีประสบการณ์อยู่ในชีวิตประจำวันแต่เราไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าที่ควรปิดปากภายนอกก่อนแล้วค่อยปิดปากภายในคือความคิดคิดมากทุกมาก คิดน้อยทุกน้อยรักษาใจให้สงบรักษาความเป็นปกติของใจคือสงบเป็นปกติเมื่อใจสงบเป็นปกติใจเป็นศีลศีลถึงใจก็สะดวกที่จะฝึกอาณาปานสติต่อไปได้กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยปฏิบัติมากๆทำให้อินทรียสังวรสมบูรณ